ข้อความในคำพีคูตการนิกายอิปวุตกะทุกการที่บาทวรที่สองนะครับนี่ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณนะครับสะส่วนใหญ่จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายวิตกสองประการคือเขมาวิตกหนึ่งวิเวกาวิตกหนึ่งของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองเนืองนะครับคือวิตกสองอย่างเนี่ยนะเป็นไปแก่พระพุทธเจ้าบ่อยๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัยนะคือเขมาวิตกกับวิเวกาวิตกเนี่ยนะครับ เข okay. มาวิตกก็คือประเภทกรุณานั่นเองนะครับวิเวกาวิตกก็คือสมาบัติทั้งหลายนั่นเองดูการพิสูจน์ทั้งหลายพระตถาคตมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนวิตกนี้นั้นแลของพระตถาคตนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน ย่อมเป็นไปเ น, อเนืองว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลําบากด้วยการกระทํานี้นะครับคิดยังไงว่าจะไม่ต้องเบียดเบียนใครเลยนะครับติตกก็คือมีกรุณาต่อสัตว์นั่นเองนะครับถ้ามีใจกรุณาต่อสัตว์แล้วที่จะคิดเบียดเบียนต่อสัตว์ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์นี้มีจิตไม่เบียดเบียนต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นั้น มีเขมวิตกคือตรึกไปเนืองๆ น, นั่นเองนะครับว่าจักไม่เบียดเบียนนี่ยนะดูการพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดวิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดย่อมเป็นไปเนือ ง, เนองว่าอากุศลเราละได้แล้ว ดูการพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นนั่นแลแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนอยู่เถิดนะพระองค์ก็แนะนานะให้ให้มีเขมะวิตกเหมือนกันนะวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนจักเป็นไปเนืองๆว่า เราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรผู้สะดุง้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้นะครับจะไม่นึกเบียดเบียนใครเลยนะดูกับพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดอยู่เถิดวิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดจัดเป็นไปเนืองๆว่า อะไรชื่อว่าอกุศลอกุศลเนี่ยอะไรอกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้เราทั้งหลายจะละอกุศลอะไรนะครับดันเกิดการใคร่ครวนมาวิเคราะห์นะครับว่าอะไรคืออกุศลใช่ไหมครับแต่ก็เท่ากับว่าอะไรคืออกุศลอะไรคือสังโยชน์อะไรคือกิเลสเนี่ยนะจะต้องเอามาวิจัยให้หมดแล้วก็วิจัยต่อไปว่าอกุศลอะไรมั่งที่เรายังละไม่ได้แล้วเราจะต้องละอกุศลอะไรต่อไปอีกเป็นต้นเนี่ยนะครับ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 ได้แสดงเขมาวิตกข้อที่หนึ่งคือกรุณานั่นเองนะครับลำดับนั้นได้ประกาศวิเวกาวิตกข้อที่สองอันนีค้คือสมาบัติทั้งหลายเรากล่าวมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฟังผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงผู้มีความชำนาญผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามวัตทุอันเป็นญาพิษ ผู้น้อมไปแลว้วในธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั่นแล้วว่าผู้ละมานผู้ถึงฝั่งแห่งชาลาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีพระจักสุรอบคอบผู้ปราศจากความโศกขึ้นสู่ปราศาทอันสำเร็จด้วยปัญญาคือธรรมะย่อมพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ ผู้ถูกชาตและชราครอบงำเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาหินเพิ่งเห็นหมูชนได้โดยรอบฉะนั้นนะครับนี่ก็คือในวิตั ก, กสูตรนะครับเพิ่งพูดถึงความคิดของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรึกอะไรมากคิดอะไรบ่อยๆนะครับเพรา ะ, ะนั้นพระองค์ก็คือมากไปด้วยเขมาวิตกคือตรึกสงสารสารัตว์ทั้งหลายน่อย่างหนึ่ง กับตรึกในการเข้าสมาบัติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรือพระสมาบัติแม้กระทั่งนิโรสมาบัตินะครับพระองค์ก็ยินดีในในสมาบัติทั้งหลายเหล่านั้นนะครั บ, บตแต่ก็พิเศษนะครับว่าการุณาสมาบัตินี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะคนอื่นก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้อะไรนะครับ นั้นในอัตถกถาขยายคําว่าตถาคตศัพนะครับตถาคตศัพท์นี้มีปรากฏหลายหลายนัยยะด้วยกันนะครับตถาคตนี้ปรากฏมีเป็นคำว่าสัตว์ก็มีนะครับหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหมายถึงพระธรรมก็มีหมายถึงพระสงฆ์ก็มีนะสัพว่าตถาคตเนี่ยนะมีหลายความหมายในพระไตรปิฎกนี้ตถาคตศัพนะครับปรากฏในโวหารว่าสัตว์ ในบทเมียที่ว่าตถาหิสะโหติตถาคโตปรมรณาเป็นความจริงอย่างนั้นสัตว์นี้มีความตายเป็นเบื้องหน้าดังนั้นตถาคตตรงนั้นเนี่ยแปลว่าสัตว์นะครับสัตว์มีความตายเป็นเบื้องหน้านะถ้ากล่าวถึงมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบนะครับเช่นสัตสัตว์ตายแล้วศูนย์หรือว่าตายหรือเที่ยงอีกไหมเป็นต้นเนี่ยจะมีคําว่าตถาคตอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตถาคตโดยทั่วทวไปส่วนหนึ่งแปลว่าสัตว์นะครับ แปลว่าศักดินเองส่วนตถาคตปรากฏในโวหารว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับในบทว่าตถาคตังเทวมนุษะปูชิดังผู้ทางนามาสมาสุวัติโหตุนะครับในรัตนสูตรนะที่เท้าสก่ากล่าวนมัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าผู้อันเทวดา และมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดนะครับก็คือพระธรรคตเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านี่ในหนึ่งหรือว่าตถาคตเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นพระธรรมก็ได้นะครับเช่นบทว่าตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังธำ ม, มังนมะสามะสวัสดิโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธ ถ, ถาคตคือพระธรรมผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดอัน คำว่าตถาคตนี้บางทีก็แปลว่าพระธรรมก็ได้นะครับนี่เฉพาะในรัตนสูตร น, นะนะที่อื่นก็หายากมากที่จะแปลพระตะถาคตว่าพระธรรมนะครับปรากฏในโวหารว่าพระสงฆ์ก็มีนะครับในบทเป็นต้นว่าตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังนมัสสามะสวัติโหตุขปเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตคือพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด แต่ในวิต ก, กสูตรนี้นะครับปรากฏในโวหารว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวิตกสองประการเนี่ยนะครับคือเขมวิตกกับวิเวกาวิตกเนี่ยของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองๆ เ, เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าพระตถาคตตรงนี้เป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในบทว่าตถาคตังนี้ ท่านกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นตถาคตด้วยเหตุแปดประการนะครับมาเรียนพุทธคุณบทว่าตถาคตนะครับด้วยเหตุ8ปดประการในเหตุแปดประการนั้นเป็นไง น, นะครับชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นนะครับในความหมายที่หนึ่งนะครับสองก็บอกว่าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปเหมือนอย่างนั้น นยที่สบอกชื่อว่าตถาคตเพราะทรงรู้ลักษณะที่แท้จริงนยตที่สชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงโดยความเป็นจริงนิยตที่หเชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเห็นความแท้จริงหนับชื่อว่าตถาคตเพราะทรงสั่งสอนสิ่งที่แท้จริงนิยตที่7ชื่อว่าตถาคตเพราะทรงกระทำแต่ความแท้จริง เชื่อว่าตถาคตเพราะอัตถะว่าทรงครอบงำทั้งแปดประการนี้เป็นเป็นอัตถะของคําว่าตถาคตในยะที่หนึ่งนะครับในในยะที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีแปดข้อนะครับเพราะฉะนั้นตถาคตทั้งสองในก็เท่ากับมีสิบหกข้อนะครับมีชุดละแปดข้อมีชุดละแปดข้อมีอยู่สองชุดนะครับฉั้นจะกล่าวถึงตถาคตในยะที่หนึ่งหรือชุดที่หนึ่งก่อนนะครับมีแปดข้อก็อเลยตั้งคําถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะเพราะเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีทรงบำเพ็ญศีลบารมีทรงบำเพ็ญเนคขมักบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนะครับคือพระพุทองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเหล่านี้มานะครับ ทรงบำเพ็ญบารมี30ท้วนคือบารมีสิบเหล่านี้อุปปารามี10และประมัภิปารามี10นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้ง30ทัพนั่นเองนะครับทรงบริจาคมหาบริจาค5ประการเหล่านี้คือบริจาคอวัยวะอย่างหนึ่งนะครับบริจาคตนเนี่ยอย่างหนึ่งบริจาคทรัพย์เนี่ยอย่างหนึ่งบริจาคภริยานี่อย่างหนึ่ ง, robi, ง, งแล้วก็บริจาคราชสมบัตินะครับ โดยทำนองเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นเสด็จมาอย่างไรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จมาอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนาว่าวิปัสสีสิกิเวสภูกกูสัมถโกนาขมนาระกัสปะนี่นะครับที่พระองค์มาตรัสรู้หรือมาบรรลุเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตเหล่านั้นทั้งหมดก็ทรงบําเพ็ญบารมีสาสิบทัศมหาบริจาคหประการนะครับโดยในยะเดียวกันมาโดยทํานองเดียวกันนะครับจบวิชามาขแขนงเดียวกันเหมือนันเถอะนะนะบำเพ็ญบารมีมาเหมือนกันแต่ว่าเวลาในการบําเพ็ญบารมีนี่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าพระผู้มีพระภาคบางพระองค์นั้นเป็นปัญญาที่กะ พระผู้มีพระภาคบางพระองค์นั้นเป็นศัทธาธิกะพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพระองค์นั้นเป็นวิริยาธิกะถามว่าอะไรเป็นเครื่องกําหนดสิ่งเหล่านั้นครับอะไรเป็นเครื่องกําหนดให้เป็นปัญญาทิกะอะไรเป็นเครื่องกําหนดให้เป็นวิริยาธิกะอะไรเป็นเครื่องกําหนดให้เป็นศัทธาธิกะนะครับคือลักษณะอย่างนี้นะครับผู้ที่ตรัสรู้ธรรมหรือผู้ที่บรรลุโลกุตระธรรมนี่มีสาประเภทนะครับคือหนึ่งเรียกว่า อุคติตันยูนะครับผู้ที่จะบรรลุธรรมประเภทที่2เรียกว่าวิปัญจิตันยูผู้ที่จะบรรลุธรรมะประเภทที่3เรียกว่านัยยะบุคคลพวกอุคติตันยูนี่นะครับฟังหัวข้อแล้วก็จะบรรลุธรรมเลยนะครับพวกวิปัญจิตันยูนั้นต้องขยายอธิบายเพิ่มเติมโดยรายละเอียดและจึงจะบรรลุธรรมได้ ส่วนพวกนัยยะบุคคลเนี่ยนะครับจะต้องเล่าเรียนมากฟังมากแม้กระทั่งต้องแสดงด้วยนะครับทั้งภาธยายทั้งตรึกทั้งเพ่งนะครับกว่าจะได้บรรลุอย่างนี้เขาเรียกว่าในในัยยะบุคคลนะครับส่วนผู้ที่ไม่บรรลุในชาตินี้เลยเรียกว่าปะทะปรมานะครับแต่ก็ปะทะปรมาก็สะสมอุปนิสัยเพื่อบรรลุในชาติต่ตอๆไปผู้ที่ได้รับพยากรณ์เนี่ยนะครับใน ในชาตินั้นเนี่ยจะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็ได้นะอย่างเช่นสุเมศบัณฑิตนี่นะครับจะเรียกว่าชาตินั้นชาติสุดท้ายก็ได้ถ้าท่านไม่มีกรุณาต่อสัตว์อื่นชาตินั้นจะเป็นชาติสุดท้ายของท่านสุเมศบัณฑิตนี้เป็นบุคคลถ้าจะบรรลุ ธ, ธรรมประเภทอุคติตันยูฟังตรงนั้นบรรลุเลยครับแบบไม่ต้องมากด้วยฟังสั้นๆบรรลุทันทีเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับพุทธภยากร์ประเภทอุคติตันยูแบบนี้นะครับ จะบำเพ็ญบารมีแบบปัญญาธิกะนะครับแบบปัญญาทิกะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่จะบรรล <Fen econ. S 1> ุเพราะเป็นวิป <Bless ing suggestions> ัญจิตันยูนี่นะครับหมายความว่าต้องขยายพิสดารขึ้นพวกเหล่านี้จะบำเพ็ญบารมีประเภทศรัทธาธิกะเนื่องจากอินทรีย์ไม่เก่กล้านักส่วนพวกพระโพธิสัตว์ประเภทนยยบุคคลเนี่ยนะครับได้รับพุทธภยากรตอนเป็นนยยบุคคลพระโพธิสัตว์เหล่านี้จะต้อง บําเพ็ญบารมีมากเป็นพิเศษนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาทิกะนะครับเพราะฉะนั้นพวกพระโพธิสัตว์ประเภทอุคติตันยูนี่นะครับจะบำเพ็ญบารมีนี่นะครับอสอสศงไยเศษแสนกับแต่ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ประเภทวิปัญจิตันยูนี่นะครับพระองค์ก็ต้องบําเพ็ญบารมี8อสศงไยเศษอีกแสนกับถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ประเภท นัยบุคคลจะบำเพ็ญบารมี16อสงไขยเศษอีกแสนกลับนะครับมากเป็นเท่าๆตัวเพราะอนุภาพของอินทรีย์ในตอนนั้นนะครับอนุภาพของอินทรีย์นะครับคือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาถ้าประเภทปัญญาที่กะ บ, บุคคลเนี่ยนะครับหัวดีฉลาดเพราะฉะนั้นพวกนี้บำเพ็ญก็เร็วหน่อยนะครับเร็วนะสเสียสองไขเศษอีกแสนกับนะครับ ห้าช้ากว่านั้นก็8ดอสงงขายช้ากว่านั้นอีกก็16อสงงขายเศรอีกแสนกลับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะครับพอได้รับพุทธพยากรแล้วต้องคน้นคว้าพิจรารณาหาบารมีทั้ง30เนี่ยนะครับด้วยตัวเองนะครับข้ครวรด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สมทานบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ครบตามเวลาที่กําหนดนั้นแล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องตรัสรู้โดยทํานองเดียวกันหมดนะครับเพราะเหตุที่เป็นปัญญาที่กะหรือป่าทำให้ท่านอายุสั้นกว่ากาพระพุทธเจ้าประเภท อ, อื่นๆเไม่ใช่ครับเพราะว่าบารมีมาแก่กล้าช่วงนี้พอดีอ่างนั้นนะนะเรียกว่ามาตั้งคันเรียกว่า สมนตินว่าตั้งคันช่วงนี้พอดีนะเหมือนกับข้าวตั้งคันตั้งท้องในช่วงนี้เพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องรอขณะอื่นนะครับนี่เป็นเป็นปกตินะว่าไม่มีใครจะไปกําหนดว่าต้องเมื่อไหร่นะเนื่องจากว่าบารมีมาแก่กล้าตอนนี้พอดีนะครับเข้าช่วงที่เหมาะสมที่สุดถ้าพูดในส่วนนี้นะครับผมก็ดีใจนะถ้าหาว่าพระองค์ไปตัดสรุปตอนหลายหายมื่นปีนะเรามาเกิดช่วงนี้ก็แย่มันนะครับอดเลยอะ่ะ ถ้ามาเกิดสมัยหมื่นปีแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเมื่อสยุคหมื่นๆปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นใครัางเงาแน่นะครับอดแน่แต่นี้ดีนะเกิดมาในยุคสมัยที่ต่ํากว่าร้อยปียังมีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงเหลือให้นับถือเนี่ยนะครับถ้าศึกษาตามประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์น้อยมากที่จะมีอายุ ข, ขนาดนี้นะครับ นะเช่นพระพุทธเจ้าพระวิปสัสสีเป็นต้นนี้ก็มีอายุหลา ย, ห, ลายหมื่นปีคับทั้งนั้นนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็มีอายุสอง0 0ื่นปีพระเมตยะที่จะมีในอนาคตก็ประมาณอายุ8ปด0 0ื่นปีเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคที่มาตรัสรุกอายุช่วงร้อยปีเนี่ยเท่าในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพนามว่าทีปังกรเมธังกรตันหังกรสระนังกรโกนธัญะมังคละเรวัตานี่นะครับ อนุมาทัาสีนะครับอัฏฐธาสีธรรมทธาสีปิยทาสีสิทธาตะนะครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสิขีเวสผูกะกูสันทะเป็นต้นด้วยมาเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนอายุน้อยเท่าพระผู้มีพระภาคของเราเลยนะครับนะเอาดีใจตรงที่ว่าเราเกิดมาในช่วงมนุษย์อายุน้อยก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาถ้าปกติแล้วถ้ามาเกิดในช่วงนี้นี่นะครับวิบัติแน่ ก็ดีใจตรงนี้นะครับดีใจที่ว่าเกิดมาในยุคต่ํากว่าร้อยปีก็ยังมีาศาสนา น, นะครับไม่ได้ดีใจในด้านอื่นนะเพราะปกตินี่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เออได้ดีส่วนนี้ก็เอาละนะครับพอให้มีเชื้อบ้างนะครับติดติดเชื้อของาศาสนาของพระผู้มีพระภาคบ้างแต่ที่สําคัญนะว่าโอ้โหพระองค์บาเพ็ญบารมีมาตั้งสี่อสงไขยเศษแสนกับกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับ ศาสนาของพระองค์ก็จะหมดไปจากโลกแล้วเนื่องจากผู้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเนี่ยน้อยเหลือเกินคําสอนก็จากอันตรธานไปจากโลกเป็นธรรมดาทีนี้ในระหว่างนี้นะครับเราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แล้วก็พอให้มีเชื่อนะครับหรือได้สำน ว, นวนว่าขอแบ่งอริยสัพย์ของพระองค์ไปบ้างนะครับไปเจอพระผู้มีพระภาคพระองค์ ต, ต่อต่อไปเป็นต้นเนี่ยก็จะได้เบาขึ้นอีกกว่านี้นะครับขอโอกาสครับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย ไม่ทราบว่าผมสงสัยว่าเป็นปัญญาที่กะใช่ไหมครับผม เ, ออเป็นเป็นปัญญาที่กะสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยนะสรุปแล้วนะครับคำว่าพระตถาคตพาะเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นคือเสด็จมาเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโดยการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเนยไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเลยนะครับแต่เวลาอาจจะไม่เท่ากันนะ ด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตนะครับสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระมุนีทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นเสด็จมาสู่ความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ในโลกนี้อย่างใดแม้พระสักยมุนีนี้ก็เสด็จมาเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุจึงชื่อว่าพระตถาคตดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตด้วยประการชนีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคําว่าตถาคตโอ้เสด็จมาอย่างนั้นคือมาเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อ น, อนมาอย่างไงพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ก็มาอย่างนั้นเหมือนกันคือมาด้วยการบําเพ็ญบารมีด้วยมหาบริจาคทั้งห้าแล้วก็มาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกันนะครับ ทีนี้คำว่าตถาคตในยะที่สองถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปัสสีเป็นต้นซึ่งประสูตยเดี๋ยวนั้นครั้นประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกันบนแผ่นดินนะครับพอคลอดแล้วก็ยืนบนแผ่นดินนะครับแล้วทรงหันพระพักไปทางทิศอุดรย่างพระบาทเจ็ก้านะครับไม่รู้ก็ดูภาพเอานะครับข้างข้างฟ้าเนี่ย แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จไปเหมือนอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตนะครับคือหมายความว่าอพอประสูติแล้วก็ต้องเดินได้เหมือนกันนะครับเป็นประเพณีธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ต้องเดินหันหน้าไปทางทิศเหนือเหมือนกันแล้วก็แป่งอาสภิวาจาเป็นต้นเหมือนกันแล้วเป็นบุพนิมิตแห่งคุณธรรมทั้งหลายเหมือนกันหมดนะครับในแนวเดียวกันนะนี เวลาสถานที่อาจจะแตกต่างกันบ้างต่อไปนะว่าพระพุทธเจ้าพนามว่าพระความปฏิประสูตรบัดเดี๋ยวนั้นทรงเหยียบแผ่นดินด้วยพระบาททั้งคู่เสมอกันฉันใดพระโคโดมนั้นก็ฉันนั้นทรงย่างพระบาทได้เจ็ดก้าหมู่เทพพากันกั้นสเสวตฉัตรครั้นพระองค์เสด็จไปได้เจ็ก้าแล้วทรงหยุดเหลียวแลดูทิศสมมติเสมอกันโดยรอบ ทรงเปล่งวาจาอันประกอบด้วยองค์8ดเหมือนราชสียืนอยู่บนยอดเขาฉะนั้นนะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปอย่างนั้นคือเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้ควรจะดูได้ในมหาประทานสูตรนะครับมหาประทานสูตรที่ขิกายนะครับผมถามอยากคื อ, อ, อมาพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาประเภทนะนะ พจ้าที่เป็นวิิยาธิการเนี่ยปรากฏว่าต้องใช้วันเวลามากมายเหลือเกินกว่าที่จะบรรลุได้ตั้งส6บสองไขน่นะครับผมก็มานึกถึงพระสมัยนี้ที่ท่านยืนยันที่จะใช้ความเพียรให้มากที่สุดแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องปริยัติเรื่องอะไรอื่นๆเอาไว้ลองๆไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ผมก็หมายว่าเอมันน่าจะเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าว่าแทนที่ว่ามันจะถึงก่อนมันกลับถึงช้ากว่าอื่นๆคือผู้ที่เขาเอาปัญญานําหน้าหรือเอาศรัทธานําหน้าโดยซ้ําไปเนี่ยมันจะชูเรื่องวิยะอย่างเดียวอย่างนี้ก็คงจะจะดทํานองพระพุทธเจ้าที่เป็นวิยาธิกะหรือเปล่าคือวิริยะที่ว่านี่หมายถึงอะไรครับก็เพี้ยนนะฮะเพี้ยนนี่แปลว่าเดินไม่หยุดเลยใช่ไหมครับ อ๋ออ๋อในทํามนองนั้นถ้าอย่างเช่นชูวเรื่องพระโซนอ่ะเราต้องปฏิบัติให้จริงจังนะต้องเดินต้องนั่งสมาธิต้องนดทนนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือโอ้เอาสัมมาประธานเป็นเกณฑ์อ๋อไม่ใช่ของของไม่ใช่อย่างนั้นบ้างครับครับครับของเงินนะไม่ได้เอาสัมมาประธานนี่นะครับเพียงเพื่อละบาปอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลแต่ว่าเอาการก้าวเดินเป็นเกณฑ์นะครับมันนักเดินทางไกลทั้งหลายแหละก็ได้เปรียบกว่านะครับเห็นไหม การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนี่หมายความว่าอินทรีย์ทั้งหประชุมบริบูรณ์เนี่ยนะครับคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยประชุมพร้อมกันบริบูรณ์แล้วก็แล้วก็โพธิปัจฉิยธรรมอย่างอื่นๆก็ประชุมกันครบบริบูรณ์จึงจะเกิดการตรัสรู้อริยสัจธรรมที่นี้เราก็มาดูว่าปัจจัยของศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมีอย่างไรแต่ที่นี้ พูดถึงการปฏิบัติในยุคลังหลังเนี่ยนะครับบางคนที่ทํามากๆผมเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าเขาจะได้บรรลุอะไรถามว่าทําไมเพราะว่าเขารู้หรือเปล่าครับว่าเขาจะบรรลุอะไรเนี่ยนะครับเพราะเราเอาคำถามอันนี้เป็นคําถามเบื้องแรกก่อนสมมุติถ้าเดินมากๆแล้วนะเดินมากๆนั่งมากๆเป็นต้นเนี่ยถามว่าบรรลุอะไรทําไมจึงบรรลุบรรลุเพราะเหตุอะไร หรือว่าต้องรอให้บรรลุซะก่อนจึงค่อยรู้ว่าจะบรรลุอะไรนะครับซึ่งต่างจากสมัยพุทธกาลนะเท่าที่สังเกตดูข้อความในพระไตรปิฎกเขารู้ข้อปฏิบัติชัดเจนแล้วมีความเข้าใจในสังสารวัตเป็นอย่างดีเข้าใจในไตรสิกขาเป็นอย่างดีถ้าจะตรัสรู้ธรรมและจะตรัสรู้อะไรบ้างเป็นต้นเนี่ยนะเขามองออกอย่างชัดเจนนะครับมีวิธีการพิจารณาอย่างชัดเจนหมดเลยวันะจึงแทบจะ ก, กําหนดได้เลยว่าะจะบรรลุเมื่ อ, อไหร่บรรลุอย่างไร แต่พอมาในยุคนี้นี่นะครับคนที่ผมรู้จักส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะก็ถามเขาแล้วเขายังไม่ค่อยรู้เขาจะบรรลุอะไรทำไมจึงบันลุไม่บนรนลุได้ไหมเป็นตัวเนี่ยเขาก็ตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับถ้าเราถามเขามากๆเขาก็จะโกรธมากขึ้นนะครับแทนที่จะได้บุญกลับบาปไปเลยอย่างเงี้ยก็โกรธใครโกรธก็บาปทท้งนั้นแหละ เพราะว่าบรรลุอะไรก็ยังไม่ทันรู้เลยนะครับบรรลุเมื่ อ, อไรทําไมจึงบรรลุบรรลุแล้วดียังไงเนีย่ยนะรู้แต่ว่าดีดีดีแค่ไหนดียังไงเป็นต้นเนีย่ยนะถ้าบรรลุแล้วอาการมันเป็นยังไงมันุูบๆปบบหรือหน้ามันชาขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องโยกซ้ายหรือว่าโยกขวาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนนะก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยนะครับทีนี้ก็เลยไม่เอาเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้สักอย่างเลยในยุคนี้นะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยนะเราก็ศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้กระทั่งบทต่อตไปก็จะกล่าวถึงการบรรลุอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะครับมันเอาเกณฑ์คือการตรัสรู้อริยสัจเป็นประมาณแล้วอริยสัจแต่ละอย่างเนี่ยต้องตรัสรู้ด้วยอาการอย่างไรบ้างนะครับเช่นทุกขศสัจเนี่ยจะต้องตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้เนี่ยกำหนดรู้แค่ไหนสมุทัยศสัจเนี่ยที่ตรัสรู้ด้วยการละเนี่ยต้องละแค่ไหนนิโรธศสัจนะครับคือพระนิพพานต้องทําให้แจ้งทำให้นิพให้แจ้งแบบไหนให้แจ้งเมื่อไหร่ มัคสะเนี่ยนะครับที่จะเจริญบริบูรณ์ได้ด้วยการเจริญต้องเจริญแค่ไหนจึงจะบริบูรณ์ได้ในอริยมรรคเนี่ยนะครับต้องเจริญแค่ไหนลําดับขั้นตอนของการเจริญนี่แค่ไหนถ้าบรรลุบรรลุต่างขณะกันหรือว่าบรรลุขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทำไมจึงบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะครับเหตุผลในชั้นของภาพปริยัติธรรมก็ต้องเรียนให้ชัดเจนก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ได้กล่าวงำประกายอะไรเลยแสดงอย่างสิ้นเชิงหมด หมดทุกอย่างเลยนะครับแสดงอย่างสิ้นเชิงจริงๆขอให้มีศรัทธาที่จะเดินตามเถิดเห็นเพราะฉะนั้นในตถาคตความหมายที่สองคือเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยเน้นถึงพระองค์เนี่ยนะครับประสูนย์แปยบเดียวเนี่ยนะก็เดินได้เลยนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่านี้เป็นปกติของพระพุทธศาสนทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งนะคือถามว่าทำไมสมัยพุทธกาลเขาจึงไม่ค่อยกล่าวถึงกัน คือกล่าวตอนเป็นเด็กกับกล่าวตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วควรกล่าวถึงตอนไหนมากกว่าครับเนี่ยนะถึงมานั่งชมโอ้สมัยต่อแตะต่อแตะย่างไงหรือเปล่าครับแต่ก็มีนะครับมีในในมัชชิมนิกายนะครับมีนะข้อความที่ชื่นชมถึงว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องเป็นแบบนี้นะครับพระพในพระสูตรก็ตรัสไว้เหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งเขากล่าวแต่ก็ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติก็เป็นได้นะครับ นะถ้าหากว่าข้อความในสมัยนั้นทุกอย่างเอามาลงในพระไตรวิฎกหมดเนี่ย โ, โหใครจะไปอ่านวาดอ่านไว้นะครับ